เทศในวงปฏิบัติก็จะเทศไปกว้างขวางให้เสียเว ล, เวลามากมายนะเทศย่นล ง, งมาในจุดสาคัญสาคัญเึงเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฝ้าอากาศก็เป็นดินฝ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่ง น, นั้นไม่ใช่ทุกข์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 ผู้ที่จะผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นทีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีกปีดตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแ้่ทุกมุมต้องหลบหลีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่พ้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่เฉพาะอย่างนิ่ง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 แน่คินี้เราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้ตำหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะจะหลีกปลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความสนาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถนะจําเป็นก็ต้องยอมรับทุกมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องพุ่มลงไปให้กิเลสเ้าเอา หให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในธ า, านุในขันธ์เาเอาเพราะอำนาจแห่งกิเลสพะให้หลงเข้าไปให้มันเผาเนี่ยนี่จึงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างผิตกับขันธ์ที่แสดงต่อกันที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจารเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบ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 แล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราท่านท่านที่มองเห็นเป็นอย่นี้มันผ่านมาจากทุกที่เรารอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมาชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขนาที่ตกทอดออกมามันตกทอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันหนอก็ไม่ทราบความจําก็หายหมดไม่ทราบเราเกิดมาจากเมื่อไหร่วันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบ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 ลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ใหญ่ที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลำบากไม่มีน้อยที่สุดน้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นต้นไม้ล้มทับคนนี่งร้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอที่ขันล้มทับเรานั่นสิท้าอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพ า, พาเดินพาเดินพานั่งพานอนพากลับพาถ่ายพานับพานอานหาร พานุ่งพะโหมเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับทนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบันเทากันล้วอยู่กันด้วยการบันเทาใจิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันพุ่งเพื่อเหิมไปโน่นไปกว้านอนาคตเป็นลมเป็นแรงบ้าดมโนภาพไปโน่นหวานั่นจะดีอันนี้จะดีจะลืดเรืองมันทึงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพิดเพลินไปโน่นเสียงมันลืมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งทั้งที่ นี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหะแเราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนีะ่จะว่าเราเหลิงก็ไม่เหลืองของจริงมีอยู่แสดงอยู่ความกตุกตุกเพลินน่ะท่านในคันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันกตุกตุกเพลิอนอดเวลาแล้วเราจะหวังว่าความเพลิดเพเลินมาจากสิ่งเหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ยิ่งครับยิ่งผมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุก ม, มุมเดียว อวัยวะส่วนไหนเป็นทุกไปดยกาันเป็นไฟไปด้วยกันหมดเผากันมาที่จิตใจธาตุจิตใจไม่มีทำเป็นกรอบเครื่องป้องกันได้แล้วก็เป็นไฟไปด้วยกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันที่อีกเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่คิดดูนี่น่ะทึงเรียกว่าสงขามให้พิจารณาอย่างนี้เนีืยที่นี่ถึงขานจะตายล่ะ ขนาดไหนไม่ไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจำมันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ท, งทั้งที่ทุกความจดจำเหล่านั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ดังสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกเด็กก็ไม่ค่อยมีมาก ท, าทั้งที่ทุกเหมือนกันก็ตา่างแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เรานี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักเน็ดเป็นยังไงเราจะ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 ทำความเข้าใจอย่างที่เราทราบมันที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงนั่นจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกแม้แต่ทุกเองมันยังไม่ทราบความหมายทของมันเราเราไปให้ความหมายของมันทํำไมเราไปแบบความหมายมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกทํำไม ตั้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ทราบมันไม่ให้ล้าแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมระเด็นก็ไม่ให้ความหมายตัวเองแล้วไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทําไมจึงต้องไปให้ความหมายมันแล้วไปแบกความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเราโง่น่ะถ้าเราทราบเยอะอย่างนี้แล้วเราก็ให้เราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกขันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี่เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงสุด จุดสุดท้ายของทุกอันนี้มันมันจะจะแลกไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายมันมีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายต่งหากเนี่ยหลักสําคัญมันอยู่สองที่ร่างกายทาั้งนั่งนี้่แล้วก็แบกทั้งทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไปแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราจารแยกไม่ออกถ้าวิจารณาเมื่อเราทราบท่านว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหาก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 ในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราเองว่าเวทนาไม่ว่า จ, จะเพียงเกิดขึ้นเท่าเพียงเท่านี้ถึงจะเกิด ข, ข, ข, ข, ขึ้นมากกว่านี้จะมาะทั่งเวทนาทนไม่ไหวมันะแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันั้านข้าเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเขาเ้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงนี่เป็นท่านเป็นข้อนหนึ่งคือเราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งอนี้โดยถูกต้อง ถ้าทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องโดยเมื่อปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ในท่ามกลางกองไฟก็ตามคือท่าขานนี่เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบความมาณตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแก่เราหนึ่งอย่างอ้าวอยู่ในท่ากลางของกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จะว่างแต่เราเป็นเหล่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเท่าไรรู้ความรู้นี้ไม่ได้อภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอด ชนะชาคนตลอดสายอ้าวทนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทน ไ, ไหวเอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่มาในดับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัญญาที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับตั้งแต่นัตตาอมาติดทองเที่ยวเกิดนวตตรสงสารก็คือใจดวงนี้เองเป็นไปเพียงว่าไปตามบุญตามกรรมตั้งตนถ้าเราพิจารณาท า, ทางด้านปัญญานิจิตของเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่จะทกสะท้ า, ทานกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรา ก็ความหมายความหลอกเนี่ยเขาก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมามาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นทั้งเราอย่างไง เ, เราจะเกิดเราจะตายหมายไปทําไมเรื่องทางเรื่องการของเขามีการประชุมหรืการผส ม, มเขา้าและมีการตั้งอยู่มีการถนาัดไปตาเรื่องของเขาญาไปเศษกันพันดอกเขาจะไปแบบไปหามเขาถ้าเขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปถูกบ้านถูกเือนขวางบ้าน ความถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายมีทั้งต้นทางก็คือความเกิดตายทางคือความตายกลางทางคือความทุกข์ความลําบากที่เป็นบาเหอย่องที่เราเห็นมีแล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในทางในขันนี้มีอะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นภายใจิตใงเราให้เป็นความลื่นเลึงด้วยพลังความดีของเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันอันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลย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 ถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพุทธินาอันนี่แหละเดี๋ยวเป็นหินรับปัดาพุทธินาเราจะเอาเพียงคนเดียวหยุดให้จิตของเราปัญดาของเราหมุนอยูกับทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากอะไรตั้งหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลําดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงมันให้มันแยกกันออกได้อตาถ้าตาจะเกิดสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนานแยกกันได้ไม่ให้ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟ ในธาตุในขันที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาตนั้นมาไหม้จิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินวิธีแก้ทุกพิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไหม้ทุกคําภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทนานั้นเข้ามาเผารวนจิตใจของเราเราก็อยู่สาบายท่าสุขจิตนี้เป็นสาระอันสาคัญไม่เมีแต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันเหล่านี้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 ด้วยความภูมิใจของเราเองนี่จิตมือมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือ ม, มีการพิจารณาเราได้อย่างรอบครอบขอบคิดแล้ว ไ, ไปไหนก็ไปเถอะสรางคาใจแกลไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วอยิ่ได้จักธรรมชาติของตัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้ในแล้วเป็นนี่แหละเป็นผู้ปอดปลอดภยัย ทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยหนึ่งเป็นหลักสาคัญเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราใจาตาให้เป็นอย่าไปอ่อนแอ อ, อย่าไปท้อถอยทุกเวทนามันเคยมีมาดั้งเดิม ใครจะท้อถอยไมท้อถอยแต่มันมันก็เป็นทุ้กระเวชนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความทอถอยนอกจากจะมาทับถมตัวของเทนั้นเองนี่จะ ส, สงครามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุกอันนี่แหละคือกองทุกที่แท้จริงที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขัน คือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครออกินพ้าอากาศก็อยู่ตามระาพามันเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขันคือจิตใจของเรานี่เป็นผู้รบับชืออย่างนั้นรับเป็นทัญญาอารมณ์มร้อนมากหนาวมากระยุ่งไปหมดอ่ตาตรงนั้นจะเจ็บนั่นกวดนี่น<บ>ี่นท่านนันขันจะไม่เจ็บไม่กวดหะไรก็เรือนของโลกมันเป็น โรคความแปรสภาพอ น, นิจจังทุกขังนัสตาร์นี่คือโรคชนิดหนึ่งมีแก่นดวงเราแล้วจะไม่เขาสแสดงตัวได้อย่งไรอันใดที่มีมันต้องสแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันนันก็ไม่เสียท่าเสียทีให้ขเขาเมือเราพิจารณาอย่างนี้จิตใเรายิ่งจะมีความเด่นดวงขึ้นมาโดยลํำดับเกิดความก้าหารผองไสก็ชัดเจนอก้าหารก็ฆ า, าหาร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 ไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วมรวมเสืีอหายไปเพราะทุกเวทนาหนั่นเลยถ้าเราไม่ประทับความหายใจเราเพราะความหลงนี้เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งนี้โยกนี้มันโลกเกิดโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใดไปที่ไหนมันก็มีป่าช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกติดตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเมนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็นกไว้ร่ำเวลานิดหน่อย เท่านั้นความจริงนี่นมันเท่ากันถ้าพิจารณาเราต้องสู้หาที่หลบขี้หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจนั่นแหละคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวตลอดภัยและอย่างเต็นจใจไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยกับตอ น, นวเองเราเชื่อที่เรศและเชื่อมานาน คราวนี้เรากําลังถ่ายเทวิเออลตอกล อ, กอกทํารอบมาํารอบปอกวิเลตออกเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าติดตามไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดอธิษัตนตามพระองค์แล้วแค่าปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ําทําลาย จ, จิตใจดูก็เป็นสุขปลอดภัยไปก็ไม่มีภัยมีเดชเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเถอะ ผู้ที่มีทรรมคลองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีเรื่องความร่ลมมาจมความร่ำความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้นหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละที่สร้างความร่ำล่ ม, มความดีเราสร้างอยู่ในจุดประจับกับใจของเราอย่างชัดเจนตบบ น, นี้มันจะร่ำล่ ม, มไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจที่ไหนก็สบาย อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาใน้พบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พุทปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถคนที่เรามีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นลนะ่ะร้อยจะหาทั้งสักหนึ่งมันมีเหรอเราเที่ยวกันทั้งโลกนี่ร้อยตั้ง่อนหนึ่งมันก็ไม่มีนะ ยุ่งกันหาจากความสุขแต่มันปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกกันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอื้อไปหมดทั้งโลกทําไมทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้อย่างไรหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเจอแล้วจึงนําสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหลังไปที่ไหน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 ภูมิาศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกไปได้โดยลําดับภูมินี้นั่นสิหลักใจไม่มีดุลใจไม่มีสาระของใจไม่มีสาระของใจไม่มีเอาแต่ภายนอกเป็นสารณะตาแล้วก็หมดสุณค่าเอาความสุขไปไว้กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็นนไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวิบ น, นั้นทะิบนี้วัตถุสิ่งของเงินทอง น, นั้นนี่เอาความสุขไปไว้โน้นเอาจิตใจไปไว้กับโน้นพอโน่นสลาสทางนั้นหมดท่าถึงกันนั้นไม่สลายเวลาจะเราจ ะ, ะตายก็หมดท่าอีกหาความ เป็นสาระไมได้เลยนั่นเนี่ยเรียว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกราวางสร้างที่พึ่งภายในจิตใจพึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนีอาศัยมาพอสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสําคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจขั้นตนอันเป็นทรัพอันกระเสริฐให้สมบูรณ์พูนจุต ข, ข, ขึ้นเดิมอ่ะ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 เราศาแต่ว่าจะตายเป็นทัญญาไวา้แล้วตีกลางไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีปันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็น่าเป็นเมื่อไหร่ก็ได้รีบจะตั้งแต่บัดนี้อัเชวัคกิจจะมาตัดปังโพธัญญาเมตตังสุเมณะอินโนสังระดันเตยนะมหเส น, นวัตินาควรทําจิตที่เป็นผลเปประโยชน์เป็นสาระสําคัญแต่ตนเสียในวันนี้ไม่วควรคํานึงถึงวันนั่นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามัาจุราช นั่นอ่ะไม่ได้กําหนดเวล่องเร่อวลาว่าจะมาเมื่อไรท่าสายบ่ายโมงอะไรไม่ว่าเท่านั้นแล้วมีใครที่จะวอดพ้นไปได้ปัญญาทฉี่ยจะนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญ่ยยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลเ้องต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นมาแล้วความตายก็ยังมีนั่นเป็นไปนไม่ได้ ถ้าเราทำเพียงในบัดนี้อแบบย่านอนใจกลางคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราจะไปสําคาัญอนหุหมายอย่าหวังแปลความสุขความเป็นกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริง courage, แล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทาไมมีความทุกข์กยูเต็มหัวใจด้วยกัน หากว่าสิ่งอันนี้จะเอาควา ม, วามสูกความสบายให้คนตามที่ขาดหมายหรือว่ามโนภาพไว้นั้นเพราะฉะนั้นจริงเป็นเรื่องโมฆะในยางจิตลงในจุดที่จะเป็นสุขเพราะทุกมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จุดนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นน่ะนัแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเราไมันมีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกแต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกทั้งหมด เมื่อเป็นอย่างนั้นริงต้องสร้างเรือนรับรองทำขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเชื่อความลู้สายความทาความเพี่ยนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกาจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างกรจะจ่างแจ้งขึ้นภ า, ายในจิตใจทุนั้นแหละกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราสตีอันเดียวเท่า น, านั้นนานนันว่า คือมีความสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาไม่ได้โยมมาเป็นกลางวันกลางคือยูที่ใยนั่นแ่ละคือผู้มีหลักาจผู้มีอริยรั์ผู้มีความสุขชกอยู่ที่ใจการแสดงก็เห็นสมควรจึงขอจิตเป็ น, ปนทัน้ง